เรื่องทรงห้ามใช้รองเทา้ามีหูสีเขียวเป็นต้นสมัยนั้นพวกพิกษุฉับพักขี่สวมรองเทา้ามีหูสีเขียวสวมรองเทา้ามีหูสีเหลืองสวมรองเทา้ามีหูสีแดงสวมรองเทา้ามีหูสีบานเยน็นสวมรองเทา้ามีหูสีดำสวมรองเท้ามีหูสีแส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 ไม่พึงสวมรองเท้า travail, มีหูสีเหลืองไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีแดงไม่พึงสวมรองเท้ า, ม, า, ม, ม, ามีหูสีบานเย็นไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีดำไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีแสดไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีชมพูรูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฏ